10. โทษของคนอื่นพระพุทธภาสิ ท, สทธสุทัศสังวัชมันเยสังอัตโนปะนะพุทธสังปรเรสังหิโสวัชานิโอปุนาติยะถาผูสังอัตโนปะนะชาเทติกลิงวะกิตวาสโถแปลว่าโทษของคนอื่นเห็นได้ง่าย ส่วนโทษของตนเห็นยากบุคคลย่อมโปรยโทษให้คนอื่นเหมือนโปรยแกรบปกปิดโทษของตนเหมือนนายพรานปิดกายด้วยเครื่องปกปิดอธิบายหนังสืออุทานธรรมของท่านเจ้าคุณภาษาสนะโสพลวงเล็บแจ่มจตะสันละเทระวัดมกุฎกษัตริยาราม กล่าวเป็นกรอนถอดความพระคาถานี้ว่าโทษคนอื่นมองเห็นเป็นภูเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเมนเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรคำกรอนนี้แพร่หลายมากข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังและจำได้ตั้งแต่อายุน้อยๆโดยปกติธรรมดาคนส่วนมาก มักมองเห็นโทษของคนอื่นได้ง่ายกว่าโทษของตนชอบมองแง่ร้ายของคนอื่นมากกว่าแงด่ดีถ้าไม่มีก็พยายามใส่เข้าที่เรียกกันว่าใส่ร้ายพร้อมๆกันนั้นก็มักพอใจปกปิดคุณของคนอื่นและเปิดเผยคุณของตนแม้เพียงเล็กน้อยที่เรียกว่าอวดตนตำราทางจิตวิทยาบอกเราว่า คนชอบมองชอบเพ่งเลงในแง่ใดสิ่งนั้นมักจะตกมาถึงตนคนชอบกล่าวร้ายผู้อื่นในเรื่องใดมากๆในที่สุดตนก็จะเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามคนมองคนอื่นในแง่ดีหรือยกย่องสรรเสริญผู้อื่นในแง่ใดมากๆในที่สุดตนก็จะเป็นเช่นนั้นทางนี้เพราะใจไปสั่งสมเอาสิ่งนั้นไว้มากเหมือนคนคุกคีอยู่กับของหอม ทำให้ตนพลอยหอมไปด้วยเมื่อคุกคีอยู่กับของเหม็นตนของตนก็พลอยเหม็นไปด้วยทัศนะทางพระพุทธศาสนาสอนให้มองคนตามความเป็นจริงคือตำหนิคนที่ควรตำหนิยกย่องคนที่ควรยกย่องตำหนิการกระทำอย่างใดของใครแล้วไม่ควรทาอย่างนั้นทางนี้เพราะคนตำหนิผู้อื่นในการกระทำ อย่างใดแล้วกลับทำอย่างนั้นเสเองย่อมเป็นคนเลวยิ่งกว่าผู้ทำโดยไม่ตำหนิผู้อื่นอันหนึง่ง<ม>เมื่อยกย่องผู้ใดในคุณธรรมอย่างใดก็ควรพยายามดำเนินตามทางของท่านผู้นั้นด้วยมิฉนั้นจะกลายเป็นคนดีแต่ยกย่องสรเสริญหามีคุณธรรมเช่นนั้นแทรกซึมเข้าไปในตนแต่น้อยไม่เหมือนทัพพีคอยแต่ตกแกงให้คนอื่นบริโภค ในการกล่าวตาหนิผู้อื่นนั้นท่านสอนให้ทำด้วยจิตมีเมตตากรุณามิใช่ทาด้วยความหวังร้ายในการยกย่องผู้อื่นนั้นท่านสอนให้ทำด้วยความมุ่งหมายให้กาลังใจมิใช่ให้เหลงหรือยกเพื่อให้ลอยให้ลืมตัวเป็นโอกาสให้ความประพฤติชั่วตามมาภายหลังอันจะเป็นโทษแก่ผู้ได้รับยกย่องนั่นเอง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 เขาอาจตำหนิคนทำดีและยกย่องคนทำชั่วด้วยเหตุนี้พระาศาสดาจึงตัดว่าละปรรสังวิโรมานิปรรสังกตากะตังอัตโนวะอเวกเฮยะกตานิอาตานิจไม่ควรสนใจคำกล่าวล่วงเกินให้ร้ายของคนอื่นไม่ควรเพ่งเล็งกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่น แต่พึงสำรวมตรวจตรากิจที่ทำแล้วหรื อ, อยังไม่ได้ทำของตนจิตวิทยาในชีวิตประจาวันสอนไม่ให้เราไปกระทําในสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่การทําเช่นนั้นมักเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณแก่ผู้ทําเองแต่สอนให้เราทําหน้าที่ของเราให้เต็มบริบูรณ์แล้วจะดีเองการสอดในเรื่องของคนอื่นมีแต่จะทําให้เขาเกลียดชัง การวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นในกรณีที่ตนไม่มีหน้าที่พิพากษ์วิจารณ์มีแต่จะทำให้เขาเบื่อหน่ายการออกความเห็นอันฟุ่มเฟื่อยโดยที่เขามิได้ขอความเห็นมีแต่ทำให้เขาราคาญไม่เชื่อถือยิ้มเยาะรับหลังความจริงการพิจารณาถึงความถูกความผิดความควรไม่ควรของตัวเราเองในวันหนึ่งหนึ่งก็หมดเวลาแล้ว ไม่ต้องกล่าวถึงว่าต้องไปเที่ยวแสหาเรื่องของคนอื่นมาปลารบแต่ถ้าเรื่องของคนอื่นนั้นเป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องสอดส่องดูแลอยู่นั่นเองเช่นมารดาบิดาต้องสอดส่องเรื่องของบุตริดาครูอาจารย์ต้องสอดส่องเรื่องของศิษย์อุปชายะอาจารย์สอดส่องเรื่องสัตวิหาริกอันเตวาสิกเป็นต้นเมื่อสอดส่องด้วยใจเมตตากรุณาแล้วเห็นเขาทำผิด หรือเริ่มจะทำผิดก็ชี้โทษให้ด้วยเมตตาปราณีเมื่อเห็นเขาทำชอบก็ส่งเสริมให้กำลังใจในการทำความดีต่อไปบัณฑิตยอมพิจารณาตนด้วยตนสอบสวนตนด้วยตนคุ้มครองตนด้วยดีมีสติสัมปชัญญะอยู่ประจำย่อมอยู่เป็นสุขข้อว่าโปรยโทษให้คนอื่นเหมือนโปรยแกลบและ ปิดโทษของตนเหมือนนพรานนั้นอธิบายว่าแกรเป็นของเบาเมื่อโปรยลงถูกลมพัดก็ปลิวไปตกลงบนหัวหรือบนร่างกายคนอื่นได้มากชั้นใดการโปรยโทษให้คนอื่นก็ชั้นนั้นโทษนั้นย่อมเที่ยวเรียราตลงบนคนนั้นบ้างคนนี้บ้างส่วนที่ว่าปกปิดโทษของตนเหมือนนพรานปิดอัตภาพหรือปิดกายนั้นอธิบายว่าธรรมดานายพรานเมื่อจะยิงสัต ย่อมแอบแฝงซ่อนเร้นตนไม่ให้สัตว์เห็นเมื่อได้โอกาสจึงปล่อยลูกศอนไปฉันใดคนปกปิดโทษของตนก็ฉันนั้นยิ่งเปิดโทษของคนอื่นมากเท่าใดก็ต้องยิ่งพยายามปิดโทษของตนมากเท่านั้นปิดโทษของตนเหมือนพรานปกปิดกำบังตนเพื่อยิงสัตว์โทษของตนนั้นทางพระพุทธศาสนาสอนใหเปิดเช่น ทางพระวินัยให้พระแสดงอาบัติซึ่งกันและกันการแสดงอาบัติก็คือการเปิดเผยโทษล่วงละเมิดของตนนั่นเองใครไปทำผิดอะไรไว้ด้วยเจตนาก็ตามด้วยพลังเผยก็ตามเมื่อรู้แล้วก็มาเปิดเผยให้เพื่อนภิกษุอีกรูปหนึ่งทราบและบอกว่าจะสารวมระวังต่อไปคนมีโทษปิดไว้เหมือนคนมีโรคแล้วไม่บอกหมอโรคย่อมเจริญงอกงามใหญ่โตขึ้นตามวันเวลาที่ล่วงไป ส่วนคนเปิดโรคของตนแล้วตั้งใจสำรวมระวังต่อไปย่อมเป็นเหมือนคนเป็นโรคแล้วบอกหมอหมอพิจารณาให้ยาอันเหมาะแก่โรคโรคนั้นย่อมหายได้ฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรปิดโทษของตนควรเปิดโทษของตนและเปิดคุณของผู้อื่นพร้อมๆกันไปพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ชาติยาวันในพัทยนคร ทรงปรารบเมนทะกกเศษฐีมีเรื่องย่อดังนี้พระศาสดาเมื่อเสด็จาริกไปในอังคุตลาปะชนบททรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมักของคนเหล่านี้คือเมนทกกเศษฐีหนึ่งภรรยาของเศรษฐีนั้นชื่อจันทะปทุมมาหนึ่งบุตรชื่อธนัญชัยเศรษฐีหนึ่งหญิงสะั้ยชื่อสุมนาเทวีหนึ่ง หลานสาวชื่อวิสาขาหนึ่งธาตุชื่อปุณณะหนึ่งจึงจะเด็ดไปสู่พัทยนครประทับอยู่ในชาติยาวันเมนทะกะเศรษฐีได้สดับการเสด็จมาของพระาศาสดาแล้วเมนทะกะเศรษฐีและคนทั้งห้านี้รวมหคนเคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาหลายร้อยหลายพันชาติเคยประสบความทุกข์ยากในสมัยทุพิกภัย ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เคยยอมสละชีวิตทมความดีเคยท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกเป็นเวลานา น, านไม่เคยคลาดจากกันเคยตั้งความปรารถนาไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความอดอยากหิวโหยและความไม่มีขออย่าได้มีแก่ตนเขาเกิดในสกุลเศรษฐีในพัทยนครในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าของเรา มีทรัพย์สมบัติมากมายพรั่งพร้อมด้วยค่าทาาบริวารเพราะกุศลกรรมที่สร้างไว้แต่หนนหลังเมธกะเศเษฐีได้ทราบข่าวการเสด็จสู่พัทยนครนของพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าเราจะไปรับเสด็จพระาศาสดาขณะที่เศรษฐีและบริวารออกไปเพื่อรับเสด็จพระาศาสดานั่นเองพบพวกเดลธีในระหว่างทาง พวกเดรถีเหล่านั้นห้ามไม่ให้ไปโดยอ้างเหตุผลว่าท่านเป็นกิริยวาทีเหตุไรจึงต้องไปหาพระสมณะโคโดมผู้เป็นอกิริยวาทีเศรษฐีไม่เชื่อถ้อยคาของเดรถีเหล่านั้นรีบไปต้อนรับพระศาสดาได้ฟังธรรมจนบรรลุโสดาปฏิผลแล้วกราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องที่พวกเดรถีห้ามตนว้ไม่ให้มาเฝ้า พระพุทธองค์ทรงสดับถ้อยคําของเศรษฐีแล้วตรัสว่าพวกเดรัจฉีเหล่านั้นไม่เห็นโทษของตนแม้มากแต่โปรยโทษลงบนคนอื่นแม้ผู้อื่นไม่มีโทษก็ใส่โทษให้เหมือนโปรยแกลบลงในที่นั้นๆดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกไว้ณเบื้องต้นแล้วว่าโทษของคนอื่นเห็นง่ายส่วนโทษของตนเห็นยากคนย่อมโปรยโทษให้คนอื่นเหมือนโปรยแกลบ ปกปิดโทษของตนเหมือนในพรานปิดกายด้วยเครื่องปกปิดดังนี้หมายเหตุความจริงพระพุทธเจ้าทรงเป็นกิริยวาทีคือทรงรับรองกรรมว่ามีอยู่ทรงรับรองการกระทำว่ามีผลแต่พวกเดรถีใส่ความพระองค์ว่าเป็นอกิริยวาทีเรียกว่าโปรยโทษให้พระองค์สิอ ผู้ไกลจากความสิ้นอาสวะพระพุทธภาสิทธิประวัชานุปัสสิสะนิจจังอุจชานาสั ญ, ญโนอาสวาตัตสวัทันติอาราโสอาสวะคยาแปลว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติเพ่งโทษผู้อื่นหรือคนอื่น ผู้คอยแต่จะยกโทษคนอื่นเขาเป็นผู้ห่างไกลจากความสิ้นอาสะวะใครก็ตามที่ตั้งหน้าตั้งตาคอยแต่จะจับผิดคนอื่นสิ่งที่เขาจะได้รับคืนมาก็คือความเกลียดชังความไม่ไว้วางใจผู้ใหญ่บางคนชมให้กำลังใจใครไม่เป็นแต่ติเก่งนักผู้น้อยทำผิดน้อยๆก็ติเสียมากมายถ้าเขาทำผิดมากก็ยกมา ก, กล่าวเสีย หรือมาก่าติเสียไม่หยุดไม่หย่อนไม่มีที่สิ้นสุดแต่พอเขาทำดีทำชอบกลับนิ่งเฉยผู้ใหญ่อย่างนี้ผู้น้อยไม่รักไม่เคารพทำงานใหญ่ไม่ได้เพราะขาดการร่วมมือจากผู้น้อยเราจะวิพากวิจารอย่างไรจึงจะไม่ให้ผู้ถูกวิพากวิจารเกลียดชังเรื่องนี้ท่านสอนว่าให้ยกย่องชมเชยเขาเสียก่อนแล้วจึงตาหนิภายหลัง เมื่อได้รับการยกย่องชมเชยพอชุ่มชื่นใจแล้วแม้จะถูกติภายหลังก็ไม่สู้จะเจ็บใจหรือน้อยใจมากนักเหมือนเราเอาของขมหยดลงไปในของหวานแม้จะขมบ้างก็ไม่มากนักอีกอย่างหนึ่งเมื่อพูดถึงความผิดของผู้อื่นต่อหน้าเขาท่านสอนให้พูดถึงความผิดของเราบ้างเราพูดถึงความผิดของเราเพื่อให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ผิดเพียงคนเดียว ความผิดที่เขาทำเราก็เคยผิดมาแล้วเขาจะได้ไม่เสียหน้าไม่อับอายเพราะได้รู้ว่าในกรณีเดียวกันเราก็เคยผิดมาแล้วตัวอย่างเช่นเราเห็นเด็กของเราผู้ใต้บังคับบัญชาของเราทาอะไรผิดสักอย่างหนึ่งไม่เป็นที่ถูกใจเราต้องการให้เขาแก้ไขเราก็บอกว่าความผิดอย่างเดียวกันนี้เราก็เคยทำผิดมาแล้วเหมือนกันเมื่อเราอายุเท่าเขา เราเคยทําความผิดความบกพร่องยิ่งกว่าเขาเสียอีกเมื่อเขาได้ฟังดังนั้นแน่นอนทีเดียวเขาจะรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะแก้ไขความผิดอย่างเต็มที่พระาศาสดาทรงสแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอุชาณสัญญีเถระมีเรื่องดังนี้ได้ยินว่าพระเถระนั้นเที่ยวแสหาโทษของภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุ นุ่งอย่างนี้ห่มอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นคือคอยค่อนขอติเตียนวิภาควิจาร์อยู่ตลอดเวลามองไม่เห็นใครดีที่ควรจะชมได้พระศ า, ศาสดาทรงทราบเรื่องนี้จากภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าถ้าภิกษุใดตั้งตนอยู่ในวัดปฏิบัติอันดีแล้วกล่าวสอนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นด้วยก็ไม่ควรที่ใครจะติเตียน ส่วนภิกษุใดตั้งใจแสหาโทษมุ่งแต่จะยกโทษผู้อื่นคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนั้นอาสะวะอย่างเดียวย่อมเจริญแก่เขาดังนี้แล้วตรัสพระพาสิทว่าอาสะวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติเพ่งโทษเป็นอาทิมีนัยะดังพรนน า, นนามาแลแต่ต้น12รอยเท้าในอากาศ พระพุทธภาษิตอากาเสวะปัทหังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรปรปัญจาริยรตาปชานิปปัญจาตถาคตาอากาเสวะปัทหังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรสังขาราสัตสตานัตถินัตถิพุทธาณมินจิตังแปลว่ารอยเท้าในอากาศไม่มี สมณะนอกพุทธศาสนาไม่มีหมูสัตว์ยินดีในกิเลสเครื่องเนิ่นช้าพระตถาคตไม่มีกิเลสเครื่องเนิ่นช้ารอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะนอกพุทธศาสนาไม่มีสังขารที่เที่ยงไม่มีความหวันไหวไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ก็เพราะส่งต่อปัญหาของสุภะปริพาชก ที่ทูลถามในคืนปรินิพานของพระองค์ว่ารอยเท้าในอากาศมีหรือไม่สมณะภายนอกพุทธศาสนามีหรือไม่สังขารที่เที่ยงมีหรือไม่พระองค์ตัดตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะนอกพระพุทธศาสนาไม่มีขยายความว่าสมณะผู้ดำรงอยู่ในมรรคผลนอกจากในพุทธศาสนาแล้วไม่มี เพราะไม่ได้เดินตามมรมีองค์แปดซึ่งเป็นทางให้บรรลุมรกผลนั้นอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายหมายถึงประชาชนส่วนมากยินดีพอใจในกิเลสเครื่องทำให้เนิ่นช้ามีตัณหาอุปาทานกามเป็นต้นคือเป็นเหตุให้เดินเวียนอยู่ในสังสารวัฏอันเป็นวงกลมของชีวิตต้องเกิดแก่เจ็บตายครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีที่สิ้นสุด แต่พระตถาคตเจ้าคือพระพุทธเจ้าทรงออกจากวงเวียนแห่งชีวิตได้แล้วเพราะทรงละกิเลสเครื่องทำให้เนินช้ามีตัณหาอุปาทานเป็นต้นได้แล้วสังขาร น, นั้นท่านหมายเอาขัน5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ชื่อว่าเที่ยงนั้นไม่มีเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไปเมื่อเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุปัจจัย บทเหตุปัจจัยสังขารก็ดับไปด้วยหนึ่งชนทั้งหลายอาจยึดถือขันว่าเทียงเพราะยังกิเลสเครื่องทำให้วันไหวกล่าวคือตันหามานะทิฏฐิอันใดตันหามานะทิฏฐิอันนั้นไม่มีแก่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีความวันไหวเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงแก่สุภะทะปริพาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถาม เมื่อพระพุทธองค์บันทมอยู่บนเตียงเป็นที่ปรินิพานณสารวโนทยานเมืองกุสินารามีเรื่องย่อดังนี้ได้ยินว่าในอดีตการสุพัทปริพาชกนั้นเมื่อน้องชายให้ทานอันเลิศถึง9ครั้งเมื่อข้าวกล้าให้ผลคือทำนาได้ผลดีครั้งหนึ่งแต่สุพัทไม่ปรารถนาให้มีความท้อถอยอยู่เนืองเนืองจนครั้งสุดท้ายจึงได้ให เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระาศาสดาทั้งในปฐมโพธิการมัชฌิมโพธิการหลวงใน ร, ระยะต้นและระยะกลางหลังจากที่พระ เ, เจ้าได้ตัดสรุ้แล้วพอมาถึงปชิมโพธิการเมื่อพระาศาสดาจวนนิพพานแล้วเขาคิดว่าเราได้เที่ยวถามปัญหาสามข้อกับพวกปริพาโชคแ ก, แก่มานานแต่ไม่ได้รับคำตอบอันแจ่มแจ้งเลย เราไม่ได้ถามพระสมณะโคโดมเพราะเห็นว่ายังหนุ่มนักบัดนี้พระสมณะโคโดมจะนิพพานเสียแล้วเราอย่าต้องเดือดร้อนใจในภายหลังเพราะเสียใจว่าไม่ได้ทูลถามพระสมณะโคโดมเลยดังนี้แล้วไปยังสารวโนทยานอันเป็นที่ปรินิพพานของพระศาสดาขออนุญาตเข้าเฝ้าแต่พระอ น, นุทัดทานไว้อ้างว่าพระพุทธองค์กำลังทรงประชวนหนัก แต่สุพัทห์ก็อ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าจนทราบถึงพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงประทานพระอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้สุพัทห์ได้ทูลถามปัญหาสข้อคือรอยเท้าในอากาศมีหรือไม่สมณะภายนอกมีหรือไม่และสังขารที่เที่ยงมีหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่ารอยเท้าในอากาศไม่มี สมณะผู้ดำรงอยู่ในมรรคผลนอกพระพุทธศาสนาไม่มีและสังขารที่เที่ยงไม่มีความวันไว้ไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาสุภัทปริภาชกได้บรรลุอนาคามิผลขอบวชเมื่อบวชแล้วได้บรรลุอรหัตผลในคืนนั้นวรที่ 18. ชื่อมุลวรวรรณน า, นา รวมสิบสองเรื่องจบเพียงเท่านี้